เพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาศึกษาพระธรรมคำสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้ส่งสั่งสอนชาวพุทธให้เราทำหน้าที่หรือธุระของชาวพุทธซึ่งมีอยู่สองธุระหน้าที่ด้วยกันคือหนึ่ง คันธุระสองวิปัสสนาธุระถ้าเราอยากจะได้รับประโยชน์อันยิ่งใหญ่อันประเสริฐจากพระพุทธศาสนาคือลถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงเราจาเป็นที่จะต้องทำสองธุระนี้ ให้ครบสมบูรณ์ถ้าเราไม่ทำถึงแม้เราจะนับถือพระพุทธศาสนานับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ประโยชน์คือการได้สัมผัสรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงก็จะไม่เกิดขึ้นมาจะเกิดขึ้นมาได้ต่อเมื่อเรา มาทำทุระหน้าที่ของชาวพุทธที่พระพุทธเจ้าส่งมอบหมายให้พวกเรามากระทำกันดังนั้นสิ่งที่พวกเราควรที่จะทำในฐานะที่เป็นชาวพุทธก็คือทำคันธุระและวิปัสสนาธุระให้สมบูรณ์ ขั้นที่หนึ่งทุรอันแรกก็คือขันะธะทุระก่อนที่เราจะไปสู่ทุระขั้นที่สองได้เราต้องผ่านทุระขั้นที่หนึ่งก่อนคือคันธ์ทุระันะธะทุระแปลว่าการศึกษาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เอง วิธีที่เราจะศึกษาคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าได้ก็มีหลายวิธีด้วยกันแหล่งที่จะให้ความรู้คําคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็มีอยู่สามแหล่งด้วยกันคือพระพุทธเจ้าพระธรรมคําสั่งคําสอนที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกและ พระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานแล้วนี่คือแหล่งของความรู้ของพระพุทธพระพุทธศาสนาแหล่งที่เราจะไปทำคันธุระกันเราจึงต้องเข้าหาพระพุทธเจ้า หรือเข้าหาพระธรรมคําสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้าหรือเข้าหาพระอริยสงสากของพระพุทธเจ้าแล้วแต่ว่าวิธีไหนจะสะดวกวิธีไหนที่จะเหมาะเราก็สามารถใช้วิวธีใดวิธีหนึ่งในสามวิธีนี้ได้คือเข้าหาพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์ ตอนนี้พระพุทธเจ้าท่านได้จากพวกเราไปแล้วแต่พ้ อ, องทรงตัดไว้ว่าพวกเราจะไม่ได้มีไม่ได้อยู่ปราศจากพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระธรรมคำสั่งคำสอนอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ตลอดระยะเวลา45ปีและได้มีการจดจา และบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกจะเป็นศาสดาแทนพระพุทธเจ้าต่อไปเพราเราจะไม่ได้อยู่ปราศจากศาสดาถ้าเราเข้าหาพระธรรมคาสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี่คือแหล่งของความรู้คือพระธรรมคาสอนที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกถือเรียกว่าครับพระคำพีหลักของพระพุทธศาสนาที่ชาวพุทธเราควรที่จะศึกษากันไม่เช่นนั้นเราจะไม่ได้เป็นพุทธแท้กันเราจะเป็นแต่พุทธในทะเบียนบ้านถ้าเราไม่รู้จักพระไตรปิฎกไม่รู้จักพระพุทธเจ้าไม่รู้จักพระอริยสงสาวก ไม่ศึกษาจากพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์นอกจากพระไตรปิฎกแล้วเราก็ยังมีแหล่งของกับการให้ความรู้อีกแหล่งหนึ่งคือพระอริยสงสาวกทั้งหลายคือผู้ที่ได้ศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำอาไปปฏิบัติเราได้บรรลุ มรสีผลสีนิพานหนึ่งเรียกว่าได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆซึ่งมีแบ่งไว้เป็นสี่ขั้นด้วยกันเหมือนปริญญาที่มีแบ่งไว้เป็นสามขั้นปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกพระที่ได้ศึกษาพระธรรมคาสอนแล้วน้อมนําเอาไปปฏิบัติ จนสามารถทำข้อสอบต่างๆผ่านได้ผ่านข้อสอบต่างๆได้ก็จะได้รับปริญญาได้รับเป็นพระอริยบุคคลขั้นที่หนึ่งเรียกว่าพระโสดาบันขั้นที่สองเรียกว่าพระสกิดาคามีขั้นที่สามเรียกว่าพระอนาคามีขั้นที่สี่เรียกว่าพาาระอรหันต พอได้บรรลุถึงขั้นที่สี่ก็จะได้นิพพานได้หลุดพ้นจากกองทุกข์ของการเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในตายพบอีกต่อไปตายพบเป็นพบที่มีทั้งเกิดมีทั้งแก่มีทั้งเจ็บมีทั้งตายตราบใดที่ยังเกิดอยู่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในตายพบ ก็จะต้องพบกับความทุกข์ของการเกิดแก่เจ็บตายเสมอแต่ถ้าได้บรรลุเป็นพระอารหันต์แล้วจิตก็จะหลุดออกจากตายพบไปหลุดออกจากกองทุกกองไฟไปจิตก็จะไปอยู่ที่เย็นที่สบายเรียกวันนิพพานนี่คือผลที่จะได้รับจากการปฏิบัติบุคคลที่ได้รับ ผลเหล่านี้ก็จะเป็นบุคคลที่สามารถสอนผู้อื่นได้สอนให้เป็นพระอริยะบุคคลขั้นต่างๆได้ตามกำลังความสามารถของตนถ้ายัางเป็นพระโสดาบันอยู่ก็จะสอนได้ในขั้นของพระโสดาบันถ้าได้ขั้นที่สองก็จะสอนขั้นที่สองได้ถ้าได้ขั้นที่สามก็จะสอนขั้นที่สามได้ ถ้าได้ขั้นที่สี่ก็จะสอนขั้นที่สี่ได้แต่ไม่ว่าจะเป็นขั้นไหนก็ตามพอได้สำเร็จขั้นที่หนึ่งแล้วก็จะมีสิทธิ์ที่จะขึ้นสู่ขั้นที่สองที่สามที่สี่ไปได้โดยตามลาดับโดยไม่ต้องมีผู้สอนอีกต่อไปเพราะผู้ที่ได้ขั้นที่หนึ่งแล้วจะรู้ทางรู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง ที่จะพาให้ได้ขึ้นไปสู่ระดับขั้นต่างๆได้โดยที่ไม่ต้องอาศัยผู้อื่นมาสอนอีกต่อไปแต่ถ้ามีผู้สอนก็จะทําให้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้นเท่านั้นแต่ถ้าไม่มีผู้สอนก็สามารถที่จะศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเองสามารถปฏิบัติไปตามทางที่ได้ พบแล้วเรียกว่ากระแสสู่พระ น, นิพพานพระโสดาบันนี้มีความหมายแปลว่าผู้เข้าสู่กระแสโสดามาจากคําว่าโสตะแปลว่ากระแสโสดาบันก็คือผู้ได้เข้าสู่กระแสที่จะพาไปสู่พระ น, นิพพาน ดังถ้าใครได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วนี้จะไม่มีวันย้อนกลับไปอยู่ในไตภพอีกต่อไปถึงแม้ว่ายังจะไม่ได้หลุดออกจากไตภพอย่างสมบูรณ์แต่กำลังเดินทางออกไปเพียงทางเดียวเป็นวันเวไม่มีการย้อนกลับทางนี้ไม่มีย้อนกลับผู้ใดได้เข้าสู่กระแสของพระนิพพานแล้วจะไม่มีวันที่จะไหลกลับ เข้าสู่กระแสของวัฏสงสารกระแสของการเวียนว่ายตายเกิดกต่อไปเพียงแต่ว่ายังไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางเท่านั้นเพียงแต่รอเวลาสาหรับพระโสดาบันนี่ก็อย่างมากก็เหลืออีกเจ็ดชาติเป็นอย่างมากถ้าเกิดมีอุบัติเหตุมีปัญหาที่ทำให้การปฏิบัติชะงักไป ก็จะกลับมาเกิดใหม่มาปฏิบัติต่อโดยที่ไม่ต้องมีครูบาอาจารย์ก็ได้ถ้ากลับมาเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาก็สามารถปฏิบัติไปได้เพราะมีศาสนาอยู่ในใจแล้วผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมเนี่ยมีศาสนาอยู่ในใจพระอริยบุคคล น, นี้มีดวงตาเห็นธรรม เห็นทางที่นำไปสู่การหลุดพ้นทางที่จะนำไปสู่การหลุดพ้นก็คือการไม่กระทำบาปทั้งปวงการสร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมการชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ความรู้นี้จะฝังอยู่ในใจของพระอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปไม่ว่าจะไปเกิดอยู่ที่ไหนภบใด ความรู้นี้จะคอยเป็นแสงสว่างนําพาชีวิตให้ไปสู่พระนิพพานตามลําดับต่อไปนี่คือดังที่สามที่เราสามารถที่จะเข้าหาเข้าศึกษาได้ถ้าเราอยากที่จะได้รับประโยชน์อันเลิศอันประเสริฐคือรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงรถแห่งธรรมคืออะไรคือรถของวิมุตตินี่เอง วิมุตติแปลว่าการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงลองลองจินตนาการดูลองนั่งนึกดูว่าถ้าอยู่ๆเราวันดีคืนดีเราไม่ทุกข์กับอะไรเลยจะดีไหมไม่ต้องทุกข์กับเรื่องเงินทองไม่ต้องทุกข์กับคนนั้นคนนี้ไม่ต้องทุกข์กับโครคภัยไข้เจ็บที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ไม่ต้องทุกข์กับความแก่ ความตายของร่างกายนี่แหละคือสิ่งที่เราจะได้รับคือจะไม่ต้องทุกข์กับเรื่องราวต่างๆที่เรากำลังทุกข์กันอยู่ในขณะนี้นี่แหละท่านถึงเรียกว่าวิมุตติหรือลถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงที่เป็นเป้าหมายของการทำหน้าที่ของเราคือคันถะทุระและวิปัสนาทุระ ขั้นที่หนึ่งต้องศึกษาวิธีที่จะทำให้เราได้เข้าถึงรสแห่งธรรมได้เข้าถึงวิมุตติคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเมื่อเราเรียนรู้แล้วขั้นต่อไปเราก็ต้องนอาออกไปปฏิบัติเพราะการเรียนรู้นี้ยังไม่พาให้เราไปถึงเป้าหมายคือรสแห่งธรรมหรือวิมุตติได้ เป็นเพียงแต่เหมือนกับเป็นการดูแผนที่ก่อนที่เราจะออกเดินทางไปในที่ที่เราไม่เคยไปเรามักจะต้องศึกษาทิศทางก่อนว่าจะไปทางไหนถึงจะไปให้ถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการจะไปกันได้นี่การศึกษาแผนที่หรือดูใน Google เนี่ยาจะบอกเราว่าเราอยู่ตรงนี้ ถ้าเราจะไปตรงนู้นเราต้องเดินไปตามถนนเส้นนี้เส้นนั้นใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ระยะทางกี่กิโลพอเรารู้แล้วถ้าเราไม่ออกเดินทางเราก็ยังไปไม่ถึงพอรู้แล้วว่าทางที่เราจะไปไปตรงไปทางไหนอย่างไรใช้เวลามากน้อยเพียงไรเราก็ต้องออกเดินทางกัน ถ้าออกเดินทางแล้วเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วเราก็จะไปถึงจุดหมายปลายทางได้การศึกษาคือคันถัธุระเป็นเหมือนการดูแผนที่เมื่ดูแผนที่แล้วว่าทางที่จะไปสู่นิพพานทางที่จะไปสู่การหลุดพน้นจากความทุกข์ทั้งปวงนี้ไปอย่างไรเราก็ต้อง ออกเดินทางไปกันเราก็ต้องไปสู่วิปัสนาทุระทำความรู้ที่เราได้เรียนรู้จากคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เป็นความรู้แจ้งเห็นจริงคือให้เราไปได้สัมผัสกับของแท้ของจริงการศึกษานี่เป็นเหมือนสิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอน ของพระพุทธเจ้านี้เป็นการรู้แจ้งเห็นจริงเป็นการเห็นด้วยตาของตนเองดีกว่าได้ยินได้ฟังจากปากของผู้อื่นนี่คือหน้าที่สองหน้าที่ลุทธุระสองทุระที่พวกเราชาวพุทธจะต้องกระทำกันเบื้องต้นก็นมาทำคันธุระด้วยการศึกษาจาก พระพุทธเจ้าหรือจากพระธรรมคําสอนที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกหรือที่ได้คัดออกมาจากพระไตรปิฎกหรือศึกษาพระธรรมคําสอนของพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าจากอ่านการอ่านหนังสือของท่านเหล่านั้นก็ได้หรือจากการฟังเทปที่ได้มีการบันทึกการแสดงธรรมของท่านไว้ก็ได้ หรือถ้าไปศึกษากับท่านโดยตรงก็ได้แล้วแต่ความสะดวกแล้วแต่ความเหมาะสมของผู้ที่จะไปศึกษาว่าสะดวกอย่างไรเหมาะสมอย่างไรก็สามารถกระทําได้จะได้ความรู้เหมือนกันไปฟังต่อหน้าท่านหรือฟังจากเทปที่ได้มีบันทึกเอาไว้หรืออ่านในหนังสือที่ท่านได้แสดงไว้ ก็เป็นการศึกษาความรู้เหมือนกันรู้วิธีของการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่จิตใจวิธีที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่จิตใจพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก็ส่งคนพบวิธีเหมือนกันทุกๆพระองค์วิธีที่จะบำบัดทุกข์และทำ บำบุงสุขให้แก่จิตใจก็มีอยู่3ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนที่หนึ่งก็คือให้ละการกระทำบาปทั้งปวงขั้นตอนที่สองให้สร้างความสุขด้วยการสร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมขั้นที่สให้ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์พะการชำระใจอันสะอาดบริสุทธิ์ จะทำให้กําจัดความทุกข์ที่การลาบบาปหรือการทำบุญไม่สามารถกระทำได้และสร้างความสุขที่สูงสุดที่การลาบบาปที่การทำบุญไม่สามารถทำได้ต้องอาศัยขั้นที่สามคือการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์แต่ก็ต้องทำไปตามขั้นตอน ตามความยากง่ายของการปฏิบัติเนี่ยได้ความสําคัญการที่หนึ่งนั้นควรจะละการกระทําบาปทั้งปวงก่อนเพราะการกระทําบาปนี้จะมีผลกระทบที่ไม่ดีต่อจิตใจของผู้กระทํากระทําบาปแล้วจะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาทันทีไม่ว่าจะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ว่าจะลักทรัพย์ ไม่ว่าจ ะ, ะพตดผิดประเวณีไม่ว่าจะพูดปดมดเทศโกโหกหลอกลวงพอได้กระทำบาปแล้วผลของบาปก็จะเกิดขึ้นทันทีเกิดขึ้นภายในใจของผู้ปฏิบัตินั่นแหละไม่ได้อยู่ไม่ต้องรอให้ผู้อื่นมาลงโทษเนี่ยสมัยนี้เราไม่เข้าใจความหมายของบาปและผู้รับผลบาปเรามักจะไปรอ ดูผลของบาปตอนที่ร่างกายถูกจับไปลงโทษซึ่งผลนี้อาจจะเกิดขึ้นก็ได้หรื อ, อยังอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้เพราะยังมีมีเหตุมีปัจจัยหลายอย่างหลายด้านที่อาจจะไม่พร้อมที่จะทำให้เกิดผลทางด้านร่างกายขึ้นมาเราก็อาจจะช้าละใจ หรืออาจจะอิจฉาเห็นคนอื่นเขาทําบาปแล้วเขาไม่ถูกจับไปลงโทษเนีเราก็คิดว่าเราก็ต้องทําได้เหมือนกันนะเมื่อเขาทําบาปแล้วเขายัางได้ดิบได้ดีอยู่เราทําไมจะทําบาปแล้วทําไมจะไม่ได้ดิบได้ดีด้วยเพราะถ้าไม่ทําบาปเราก็จะไม่ได้ดิบได้ดีแต่พอเราทําบาปเรากลับได้ดิบได้ดีอันนี้ เป็นการมองผิดจุดของผลของการกระทำบาปที่แท้จริงผลของการกระทำบาปที่แท้จริงที่เกิดขึ้นทันทีนั้นเกิดขึ้นที่ใจของผู้กระทำบาปนั่นแหละพ อ, อทำบาปแล้วไม่ว่าจะฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีหรือพูดปดใจจะมีความรู้สึกไม่สบายใจขึ้นมานี่เป็นผลอันแรกที่เกิดขึ้นกับผู้กระทำบาป เกิดขึ้นที่ใจของผู้กระทาบาปคือความทุกข์ใจไม่สบายใจจะทุกข์มากทุกข์น้อยก็อยู่ที่บาปที่ทำว่ามีกำลังมากหรือกาลังน้อยสร้างความเสียหายมากสร้างความเสียหายน้อยให้แก่ผู้อื่นถ้าให้ความเสียหายน้อยความทุกข์ใจก็จะน้อยถ้าสร้างความเสียหายมากความทุกข์ใจก็จะมาก นี่เป็นผลขั้นที่หนึ่งที่เกิดขึ้นกับใจผลขั้นที่สองก็คือถ้าใจยังไม่ไปถึงนิพพานใจยังต้องกลับมาเกิดอีกก็จะต้องไปเกิดในอบายจะไม่ได้เกิดในสุขติจะไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพระ อ, อริยบุคคลเพราะบาปนี้จะเป็นตัวที่จะฉุดรากให ใจที่กลายเป็นดวงวิญญาณหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วให้ไปรับผลบาปก่อนให้ไปรับผลบาปในอบายให้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้ามีร่างกายถ้าไม่มีร่างกายก็จะเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหยก็เรียกว่าเปรตดวงวิญญาณที่หวาดกลัวก็เรียกว่าอาสุรกาย ดวงวิญญาณที่อาฆาตพยาบาทเครียดแค้นเรียกว่านารกเนี่ยนี่คืออบายสี่สาเหตุที่มีสี่สถานเพราะเหตุที่จะพาให้ไปทําบาปนี้มีอยู่สี่เหตุด้วยกันเหตุอันที่หนึ่งคือความหลงหรือความไม่รู้ไม่รู้ว่าทําบาปแล้วมีผลตามมาคิดว่าทําบาปแล้ว ผลมีแต่ที่ร่างกายเพียงอย่างเดียวไม่คิดว่าจะมีผลที่จะเกิดขึ้นกับใจไม่รู้ว่ามีใจที่ไม่ตายไปกับร่างกายไม่รู้ว่าใจนี่แหละเป็นผู้ที่จะต้องไปรับผลบาปของตนที่ได้กระทำไว้เกิดจะป้องไปเกิดเป็นสัตว์ในรัฉานถ้าทำบาปด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ถ้าทำบาปด้วยความโลภ อยากได้มากมากอยากมีมากมากอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากน่าอยากรวยก็ทํหาก็หาสิ่งต่างๆที่อยากได้มาด้วยวิธีก็ททาบาปพอทําบาปด้วยความโลภเวลาร่างกายตายไปดวงวิญญาณก็จะเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหวยเพราะความโลภนี้จะไม่ได้หมดไปจากจากใจ และตอนที่ตายไปก็ไม่สามารถเอาสิ่งที่หามติดตัวไปได้ไม่สามารถเอาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆที่หามาได้จากความโลภเอาติดตัวไปได้ก็เลยไปแบบตัวเปล่ า, ล า, ล า, ลาๆไปแบบหิวโหยแล้วถ้าทำบาปด้วยความกลัวกลัวจะถูกผู้อื่นเขาทำร้ายก็เลยไปทำร้ายเขาก่อนอันนี้ ตายไปก็จะเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความหวาดกลัวคอยหลอกล้อนอยู่ตลอดเวลา<ม>ถ้าทำบาปด้วยความกโกรธด้วยความอาฆาตพยาบาทตายไปก็จะไปอยู่ในนรกเป็นดวงวิญญาณที่ร้อนด้วยความโกรธเกลียดเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทกินไม่ได้นอนไม่หลับนี่คือสาเหตุทาไม จึงทําให้มีอบายสี่ทำไมไม่มีอบายเพียงอบายเดียวก็เพราะเหตุที่ทําบาปนั้นมีอยู่สี่เหตุด้วยกันนี่คือสิ่งที่ชาวพุทธเราต้องพยายามหลีกเลี่ยงให้ได้ไม่เช่นนั้นเราจะต้องไปรับผลของบาปอย่างแน่นอนเราจะไม่อ้างว่าเราเป็นสิทธิ์ของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้ เราจะไปอ้างว่าเราเป็นชาวพุทธไม่ได้นที่อบายนี้เขาไม่มีไม่มีข้อยกเว้นกฎแห่งกรรมนี่ไม่มีข้อยกเว้นไม่ว่าจะนับถือพุทธหรือไม่นับถือพุทธก็ตามถ้าลองไปทำบาปแล้วจะต้องไปรับผลบาปอย่างแน่นอนแเรายังไม่หมดผลบาปที่ได้ไปต้องไปใช้ขั้นที่สองคือเวลาที่ตายไปยังมีขั้นที่สาม รอเราอยู่อีกคือตอนที่เราพ้นจากบาปแล้วหลังจากที่เราไปทําบาปจนบาปที่เราใช้ได้หมดลงแล้วเขาก็จะปล่อยให้เรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แต่การกลับมาเกิดเป็นมนุษย์จากอบายนี้จะเป็นเหมือนคนที่ออกจากคุกออกมาก็ไม่มีอะไรติดตัวมาจากคุกติดตารางเหมือนคนที่มาเกิดในโลกนี้ก็เป็นคนที่ เกิดแบบอาภัพวาสนาไม่มีวาสนาติดตัวมาเพราะไม่ได้สร้างวาสนาไว้ในอดีตชาติพอมาเกิดแล้วก็จะเกิดแบบอาภัพวาสนารูปร่างหน้าตาก็ไม่สวยงามผิวพรรณก็ไม่ผ่องใสอาการก็ไม่ครบสามสิบสองมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนมีโรคประจําตัวต่างๆอายุไม่ยืนยาวนาน แล้วก็มีความทุกข์ยากลําบากเกิดมาแล้วจะยากจนนี่คือผลที่เกิดจากการทําบาปที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามที่จะรู้หรือไม่รู้ก็ตามแต่นี่แหละคือผลที่จะเกิดขึ้นทําไมคนเราเกิดมาในโลกนี้จึงไม่เหมือนกันทําไมบางคนเกิดมาสุขสบายบางคนเกิดมาทุกข์ยากลําบาก บางคนเกิดมาสวยงามผิวพรรณผ่องใสบางคนเกิดมาไม่สวยไม่งามผิวพรรณไม่ผ่องใสบางคนเกิดมาอาการไม่ครบสามสิบสองพิกลนพิการหูหนวกตาบอดแขนขาดขาขาดบางคนเกิดมาร่ำรวยบางคนเกิดมายากจนถ้าไม่มีการกระทาที่ต่างกัน ผลเหล่านี้ก็จะไม่มีก็จะไม่ต่างกันแต่เหตุที่ทำให้มีความแตกต่างกันก็เพราะบุญบาปที่ทำในอดีตชาตินั้นต่างกันนั่นเองจึงทำให้มีผลต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นมาถ้าเราไม่อยากที่จะต้องมารับผลของบาปเราก็ต้องพยายามอย่าไปทำบาปและการที่จะช่วยให้เราไม่ได้ทำบาปก็คือ เราต้องอย่าไปเสพอบายามุกอบายามุกนี้เป็นผู้ที่จะสนับสนุนหรือผลักดันให้เราต้องไปทําบาปต่อไปเพราะอบายามุกนี้ไม่มีรายได้มีแต่รายจ่ายอบายามุกมีอะไรบ้างมีหนึ่งคือการดื่มสุรายาเมาสองการเที่ยวเล่นทเที่ยวเตรสาการเล่นการพนันสความเกรียดคร้าน ห้าการคบคนชอบอบายามุขเป็นมิตรนี่เป็นสิ่งที่เราต้องพยายามหลีกเลี่ยงให้ได้ถ้าเราไม่อยากจะก็ทําบาป ก, กันถ้าเราไปเสพอบายามุขแล้วเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วเราก็จะถูกอบายามุขผลักดันให้เราไปทําบาปต่อไปเช่นถ้าเราไปดื่มสุรายาเมาพอดื่มสุรายาเมาเกิดอาการมึนเมาขึ้นมา ก็จะไม่มีสติที่จะมาคอยยับยั้งความคิดที่ไม่ดีต่างๆได้ค <Yeah. S 1> นเรานี้เรามีความคิดอยู่ในใจหลายอย่างบางทีก็คิดดีบางทีก็คิดไม่ดีช่วงที่เราไม่ดื่มสุรานี้เราพอที่จะยับยั้งความคิดไม่ดีได้พอคิดจะไปทำบาปเราก็มีสติพอบอกเฮ้ย hey, ทำไม่ได้ทำแล้วเดี๋ยวต้องไปรับโทษไปติดคุกติดตาราง อย่าทำดีกว่าก็จะไม่ทำ แ, แต่พอดื่มสุราเข้าไปจนมึนเมาแล้วทีนี้สติไม่มีแล้วพอคิดอยากจะพูดอะไรอยากจะทำอะไรก็จะทำทันทีสังเกตดูคนคนเดียวกันเวลาดื่มสุรามึนเมากับเวลาไม่ดื่มนี้เป็นเหมือนคนละคนกันเวลาไม่ดื่มสุราเรียบร้อยอ่อนน้อมขี้อาย แต่พอดื่มสุรากลายเป็นคนกักขระไปกลายเป็นคนหน้าด้านไปกลายเป็นคนกล้าทำอะไรที่ทำให้คนอื่นเขาเสียหายเดือดร้อนพอคิดอยากจะพูดจาหยาบคายก็จะพูดจาหยาบคายออกมาพอใครเห็นทาอะไรไม่ถูกใจก็จะท้าตีท้าต่อยจะหาเรื่องหาเราททำร้ายผู้อื่น นี่คือโทษของการดื่มสุราจะทำให้ต้องไปทำบาปถ้าไม่ดื่มสุราก็จะเป็นคนเรียบร้อยคนเหน็บไอไม่กล้าพูดไม่กล้าทำอะไรไม่ไปสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้กับผู้อื่นก็กลายเป็นคนน่ารักน่าชื่นชมน่าคบหาสมาคมด้วยนี่คืออบายามุขข้อที่หนึ่ง นอกจากไปทำบาปแล้วยังไปทำโทษให้กับตนเองเวลาดื่มสุราเพราะดื่มสุราแนละ้วดื่มมากๆ ก, ก็จะทำให้มีอาการมึนเมามากจนอาจจะไม่สามารถไปทำงานทำการได้ตามปกติขาดงานบ่อยๆเดี๋ยวก็ต้องถูกเขาไล่ออกจากงานไปพอไม่มีงานทำก็จะไม่มีไรายได้แต่เมื่อดื่มสุราแติดแล้วก็จะเลิกไม่ได้ เมื่อไม่มีเงินซื้นสุราเดิมก็ต้องไปหาเงินโดยวิธีทำบาป ก, กันนี่คือโทษของการดื่มโุราจะพาให้ไปทำบาปแล้วก็จะทำให้เสียเงินเสียทองเสียงานเสียการเสียเพื่อนเสียฝูงจะไม่มีใครอยากจะคบค้าสมาคมกับคนที่ตกงานคนที่ทำบาปคนที่ติดคุกติดตาราง เสียทั้งครอบครัวครอบครัวบางทีเขาก็ไม่อยากจะอยู่ด้วยถ้าไปติดคุกติดลางเขาก็จะดีใจเพราะเขาจะได้ปลอดภัยจากการกระทําที่เกิดจากความมึนเมาของเขาแล้วยังต้องมาเสียสุขภาพอีกเดื่มชรามากๆ ก, ก็จะทําให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาการดื่มสุรานี้เป็น ปัจจัยเสี่ยงอย่างหนึ่งที่จะทำให้มีโรคภัยต่างๆเกิดขึ้นโรคตับโรคไตอายุจะไม่อยู่ยืนยาวนานจะตายก่อนเวลาอันควรนี่คือโทษของการเสพอบายามุข ค, คือสุรายามาโทษของการเล่นการพนันก็มีหลายประการด้วยกันเล่นการพนันแล้วก็จะทำให้ติด เวลาได้ก็อยากจะเล่นต่อเพราะมีความมั่นใจว่าจะได้เรื่อยๆแต่เล่นไปแล้วเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วก็ต้องเสียเวลาเสียก็ต้องเล่นต่อเพราะอยากจะได้คืนก็จะต้องติดกับการเล่นการพนันไปจนในที่สุดก็จะต้องหมดเนื้อหมดตัวต้องขายบ้านขายช่องขายทรัพย์สมบัติขายที่ดินเขาว่าขโมยขึ้นบ้านนี้ยังดีกว่า ผีพนันขึ้นบ้านเพราะขโมยขึ้นบ้านเอาไปได้แต่ข้าวของไฟไหม้บ้านก็ดีกว่าผีพ น, นันไฟไหม้ก็ได้ไห้แต่บ้านไห ม, ไ ม, ไม้ไม่แต่ทรัพย์สินแต่ที่ดินยังไม่ไหม้แต่ถ้าเป็นผีพนันนี่มันเอาไปหมดขายทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองขายที่ดินไปเอาเพื่อที่จะไปเล่นต่อเพราะหวังจะได้คืนะ แล้วเล่นไปในที่สุดก็หมดเนื้อหมดตัวยังไม่ก็ยังไม่ยอมหยุดเล่นเพราะมันติดเวลาไม่ได้เล่นแล้วมือไม้สั่นใจสั่นงดเงียบก็ต้องไปโกหกหล อ, อก ล, อกลวงยืมเงินคนนี้ยืมคนนี้มาลคนนั้นมาเล่นแล้วก็ไม่ไปใช้เขาเออก็ได้ก็ได้ทาบาปสองกระทงพูดบดแล้วก็ลักทรัพย์นี่คือโทษของการเล่นการพนัน ถ้อยส่วนอบายมุขข้อที่สามคือการเที่ยวเต่ก็เหมือนกันไม่มีรายได้มีแต่รายจ่ายถ้าเที่ยวก็ไม่ไปทำงานชอบเที่ยวหนีงานไปเที่ยวทำงานทางานแล้วไม่ได้ทิพก็เลยเที่ยวเที่ยวก็มีแต่รายจ่ายไม่มีรายรับเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วเงินก็หมดมีข่าวข่าวเหไหคนที่ต้องไปปล้นร้านทองไปไปลักขโมยทรัพย์ของคนอื่นก็พอ เอาเงินไปเที่ยวกันเอาไปกินไปดื่มไปเล่นการพนันกันไปเสพยาเสพติดกันพอ <c oughs> พอไม่มีเงินก็ต้องไปขโมยเพราะไม่ทางานเพราะมีความเกลียดค้านอบายามุขข้อที่สี่ก็คือความเกลียดค้านคนเกลียดค้านี่จะไม่ชอบไปทำงานทำการชอบเที่ยวเต่ชอบเล่นการพนันชอบดื่มสุรายาเมานะ การคบคนที่ชอบอบายมุขเป็นมิตรก็ไม่ดีเพราะถ้าเขาชอบเล่นการพนันเขาก็จะชวนเราไปเล่นการพนันเขาชอบดื่มสุราเขาก็จะชวนเราไปดื่มสุราเขาชอบเที่ยวเตะเขาก็จะชวนเราไปเที่ยวเตเขาชอบความเกียจค้านเขาก็จะชวนให้เราเกียดค้านถ้าเราเก่งใจเขาเราก็ต้องไปทำกับเขางั้นเราอย่าไปจเก่งใจกับมิตรแบบนี้ เพื่อนฝูงแบบนี้เป็นเพื่อนเพื่อนฝูงที่มาทำร้ายเราไม่ได้เป็นเพื่อนฝูงที่มาเกื้อกูลเราไม่ได้มาช่วยเหลือเราจงมองเขาว่าเป็นเพื่อนในเป็นศัตรูในคาบของเพื่อนพวกที่มาชวนเราไปดื่มสุราชวนเราไปเล่นการพนันชวนเราไปเที่ยวเต่ชวนเราให้มีความเกียจค้านี้อย่าไปถือว่าเป็นมิตรเป็นอันขาด ขอให้ถือว่าเป็นศัตรูในคาบของมิีดผู้ที่พร้อมที่จะเอามีดมาจิ้มมาแทงเรามาฆ่าเราด้วยการให้เราไปเสพอบายามุกนี่นี่คือสิ่งแรกที่พระพุทธเจ้าส่งสอนให้ชาวพุทธเรากระทํากันคือหลีกเลี่ยงการกระทําบาปละการเสพอบายามุกต่างๆซึ่งถ้ามามองตามความเป็นจริงแล้วมันก็ไม่น่าจะยากเย็นตรงไหน เพราะเป็นการไม่กระทำการกระทำนี่ยากกว่าการไม่กระทำการไม่กระทำก็อยู่เฉยๆอย่างตอนนี้ญาติโยมไม่ได้ทำอะไรมีศีลครบไม่เสพบ๊อบายมุกง่ายกว่าการที่จะไปทำบาปเพราะจะไปทำบาป ก, ก็ต้องไปวางแผนต้องไปเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือไปป้นร้านทองก็ต้องไปดูแผนที่ร้านทองอยู่ตรงไหน เปิดมื่อไรปิดเมื่อไ ร, ไรมีตำรวจหรือไม่มีใครเฝ้าบ้างแล้วก็ต้องไปเตรียมหาอาวุธปืนต่างๆเตรียมรถเตรียมอะไรมันยากยิ่งกว่าการไม่ทำบาปการไม่ไปป้นร้านทองกับการไปป้นร้านทองนี่ยังไย ง, ง่ายกว่ากันอยู่เฉยๆง่ายจะตายกับทำไม่ได้กันกับไม่ชอบทำกันชอบทำของยากๆ ก, ก, กันของย า, ยากที่เป็นพิษเป็นภัยกับตนเอง ลองใช้เหตุผลมานั่งคิดดูสิผลที่เกิดจากการทำของง่ายๆคืออยู่เฉยๆนี่มันดีจะตายไหอยู่เฉยๆไม่ไปทำบาบนี่สบายไม่มีโทษตามมาไม่ต้องทำอะไรเพยงแต่อยู่เฉยๆเท่านั้นเองดังนั้นเวลาที่จะคิดทำบาปก็มาเปรียบเทียบกันดูว่าระหว่างทำบาปกับกับการไม่ทำบาอย่างไหนจะง่ายกว่ากัน ไม่ทำบาปตอนนี้เราไม่ทำบาปอยู่แล้วสบายไม่มีผลร้าตามมาไม่มีโทษตามมาแต่พอไปทำบาปแล้วมีโทษตามมากันปัญหาก็คือของคนที่คิดทำบาปก็คือไม่ไ ม, ไม่ไม่ไปมองเห็นโทษกันไปมองเห็นคุณกันเห็นว่าโทษไปปล้นล้านทองแล้วจะได้ทองมาได้เงินได้ทองเพื่อที่จะได้เอาไปใช้ไปกินไปดื่มไปเที่ยวไปเล่นไปมองผิดเป้าไปมองผิดจุด ไม่ไปมองเห็นโทษที่จะตามมาทำแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดพลาดขึ้นมาถูกตำรวจจับเข้าก็ต้องไปติดคุกติดตารางถ้ามีการต่อสู้ก็จะต้องมีการฆ่ากันอย่าคิดไม่เป็นคิดคิดไม่ครบถ้วนบริบูรณ์คิดคิดเพียงส่วนได้ไม่คิดถึงส่วนเสียการที่เราจะไม่ทำบาป ก, กันได้ไม่เสพ บ, บาบ ย, ยาเมุกได้นีเราต้องคิดถึงผลเสียหายที่จะตามมา อย่าไปคิดถึงผลได้ที่เราจะได้มาเพราะผลที่เราได้มันไม่คุ้มกับผลเสียที่จะตามมาได้ไม่คุ้มเสียได้ทำในสิ่งที่เราชอบได้เล่นการพนันได้เดือดร้วนราได้เกิดความสุขเดียวเดียวแต่ได้รับโทษที่จะตามมาที่แสนสาหัสกว่ามากมายหลายเท่าด้วยกัน วิธีที่เราจะไม่ทำบาปได้ไม่เสพอบายามุกได้นี่เราต้องหมั่นศึกษาถึงโทษของอบายามุกถึงโทษของการกระทำบาปตามที่ได้สแสดงไว้ให้ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ขอให้ไปคิดอยู่เรื่อยๆคิดถึงผลเสียหายที่จะตามมากับการที่ไม่ทำบาปแล้วไม่ต้องมีผลเสียหายตามมาอย่างไหนจะดีกว่ากัน ถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับประโยชน์จากการเสพบาบา ย, ยมุกจากการทำบาปแต่ประโยชน์ที่ได้มันได้ไม่คุ้มเสียเพราะมีโทษมีพิษมีภัยตามมาที่ไม่มีใครต้องการกันนี่คือลาดับข้อที่หนึ่งของการศึกษาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อศึกษาแล้วก็เอาไปปฏิบัติได้เลย ไม่ต้องรอศึกษาให้ครบทั้งสามขั้นตอนก่อนพอเรารู้ขั้นไหนแล้วเราก็ไปปฏิบัติขั้นนั้นได้เลยพอเกิดความคิดอยากจะทําบาปก็ห้ามใจเสียเกิดความคิดอยากจะเสพอบายามุกหรือมีคนมาชวนให้ไปเสพอบายามุกก็ปฏิเสธไปเสียอย่าไปเสียดายเพื่อนเสียดายตัวเองดีกว่ารักตัวเองดีกว่าไปรักเพื่อน พาะเพื่อนเขาไม่มาช่วยเราเวลาเราไปติดคุกติดตารางเขาไม่มาช่วยเราเวลาเราไม่มีไม่มีใครเขาเดวแลเวลาเราตกทุกข์ได้ยากไม่มีใครเขาจะช่วยเหลือเราเราต้องช่วยตัวเราเองพึ่งตนเองงั้นอย่าไปเสียดายเพื่อนแบบนี้เพื่อนไม่ดีมีเยอะแยะไปถ้าจะคบคบเพื่อนที่ดีดีกว่าคบเพื่อนที่จะมาช่วยรักษาให้เรา อยู่อย่างไม่มีโทษอยู่อย่างไม่มีภัยดีกว่าถ้ามีเพื่อนที่มาชวนให้เราไปติดคุกติดตารางนี้อย่าไปอย่าไปคบกับเขาต้องกล้าหารต้องเด็ดขาดอย่าไปเสียดายไม่ไม่มีคนเพียงคนสองคนสองสามคนเท่านั้นในโลกนี้มีคนเป็นล้านไม่คบกับคนนี้ก็คบกับคนอื่นได้แต่ถ้าหาคนที่ดี คบไม่ได้พระพระพุทธเจ้าก็บอกอยู่คนเดียวไปดีกว่าอยู่คนเดียวอย่างน้อยก็ไม่ขาดทุนแต่ถ้าได้คบกับคนดีก็จะได้กำไรคนดีเขาก็จะชวนให้เราไปทำในสิ่งที่ดีคบบัณฑิตอย่าคบคนพานเป็นมงคลอย่างยิ่งคบคนพานแล้วเขาก็จะชวนให้เราไปทำเรื่องที่เสียหายเดือดร้อนต่างๆคบบัณฑิตเขาก็จะชวนให้เราไปทาเรื่องที่มีคุณมีประโยชน์ เช่นคบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เรียกว่าคบบัณฑิตคบกับคนที่ชอบเสพตัวยาเมาคบกับคนที่ชอบทำบาปนี่เรียกว่าคบกับคนพาลคนพาลก็คือคนโง้บัณฑิตก็คือคนฉลาดเราต้องเข้าหาบัณฑิตถ้าเราอยากจะให้ชีวิตจิตใ จ, จของเราจเจริญรุ่งเรืองก้าวหนะ้าคบบัณฑิตเช่นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะพาเราไปสู่พระนิพพานถ้าคบกับ คนพาลก็จะพาเราไปสู่อบายไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดในอบายอย่างไม่มีวันจบสิน้นนะนี่ต้องใช้เหตุผลต้องคิดพิจารณาให้รอบคอบอย่าใช้อารมณ์ถ้ามีอารมณ์แล้วมันจะมองด้านเดียวมันจะมองด้านด้านได้มันจะไม่คิดถึงด้านเสียคนที่ทำบาปเขาคิดว่าเขาจะได้นูน่นได้นี่ ไปปล้นร้านทองจะได้ทองมาจะได้เอาเงินไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปซื้ออะไรต่างๆแต่ไม่มองว่าถ้าเกิดพลาดถูกจับไปติดคุกติดตารางอาจจะถูกฆ่าตายแล้วยังไม่รู้อีกว่านอกจากผลที่เกิดจากการถูกจับติดคุกติดตารางแล้วยังมีผลทางใจใจจะอยู่อย่างไม่มีความสุขจะมีแต่ความหวาดระแวงหวาดกลัว เราตายไปก็ต้องไปรับใช้ผลบาปในอบายกลับมาเกิดใหม่ก็มาเกิดแบบเป็นคนอาภัพวาสนาอันนี้คือสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้จากการทำคันทะทุระได้เรียนรู้ถึงผลดีผลเสียจากการทำบาปเลือและไม่ทำบาปเมื่อเรารู้แล้วทีนี้มันก็จะทำให้เราไม่กล้าทำบาปกัน เราก็จะสามารถทำหน้าที่ของชาวพุทธได้เราก็จะได้รับประโยชน์คือไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดในอบายถ้าเรายังไปไม่ถึงนิพพานเราจะเวียนว่ายตายเกิดในสุขคติในภพของมนุษย์ในภพของเทวดาของพระอริยบุคคลถ้าเราปฏิบัติข้อที่สองและข้อที่สามต่อไปได้ ที่สองก็คือให้เราทําบุญทั้งหลายให้ถึงพร้อมทําบุญชนิดต่างๆทําบุญชนิดไหนที่เราสะดวก ท, ที่เราชอบทําได้ทํากับวัดวารามทํากับพระสงฆ์องค์เจ้าทํากับโรงเรียนทํากับโรงพยาบาลทํากับคนยากไร้ทากับบิดามารดาปู่ย่าตายายทํากับผู้มีพระคุณทั้งหลาย ทำกับคู่ที่พี่กนพี่การช่วยตนเองไม่ได้ทํากับสัตว์เดรัจฉานหมาจรจัดแมวจรจัดอย่างนี้เลืออทายชีวิตของสัตว์ที่จะถูกนาเอาไปฆ่าแกง่งทายปัวควายทายชีวิตของปลาของนกปล่อยนกปล่อยปลาอันนี้เป็นวิธีสร้างบุญสร้างกุศลให้เกิดขึ้นในใจ บุญนี้ก็เป็นเหมือนสเสบียงเป็นเหมือนอาหารเป็นความสุขใจอิ่มใจเวลาไม่ได้ทำบุญนั้นชีวิตจะรู้สึกจืดชืด น, นะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทำบาปนะแต่การไม่ได้ทำบาปไม่ได้ทำให้เกิดความมีชีวิตชีวาในจิตใจนะเพียงแต่ทำให้ไม่มีความทุกข์ใจเท่านั้นผลที่เกิดจากการไม่ทำบาป แต่ไม่มีทำให้รู้สึกมีชีวิตชีวามีความรู้สึกปลื้มปิติมีความสุขใจอิ่มใจอยากจะได้ความสุขใจอิ่มใจนี้เอาเงินที่เราจะไปซื้อความสุขทางด้านยตาหูด้านรูปเสียงกลิ่นรสนี่มาเอามาทำบุญจะดีกว่าเพราะเงินที่เราไปซื้อความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสนี้เป็นเหมือนไปซื้อยาเสพติดเวลามีเสพก็มีความสุข เวลาไม่มีคามไม่มียาเสพติดเสพจะทุกข์ทรมานใจถ้าเกิดเวลาไม่มีเงินทองจะไปซื้อรูปเสียงกินรสไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายก็ซื้อไม่ได้เวลานั้นก็จะเกิดความเครียดเกิดความหงุดหงิดเกิดความนำคานใจเกิดความเหงาเกิดความเศร้าเกิดความซึมขึ้นมาอย่าไปใช้เงินแบบนี้เอาเงินมาซื้อบุญดีกว่ามาเอาเงินมาทาบุญดีกว่า เพราะการทำบุญนีเหมือนมนซื้อเหมือนเหมือนกับการซื้ออาหารให้กับใจทำให้ใจอิ่มใจสุขใจพอไม่เหมือนกับการซื้อยาเสพติดที่จะทำให้ใจหิวโหวยอยู่ตลอดเวลาทำบุญแล้วจะมีความอิ่มเ อ, อิบใจสุขใจและบุญนี้จะเป็นสเบียง ที่จะรับใช้ใจเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วด้วยบุญนี้ไม่ได้มีเฉพาะตอนที่เรามีชีวิตอยู่เท่านั้นตอนที่เรามีชีวิตอยู่เราจะรู้สึกอิ่มเอิบใจทุกครั้งที่เราได้ทำบุญแล้วเวลาตายไปบุญที่เราได้ทาไวน้นี้จะเป็นสเสบียงมารับใช้เราเป็นอาหารเป็นปัจจัยสี่ของใจทาให้ใจไปอยู่ ที่ที่มีแต่ความสุขที่เรียกว่าสวรรค์ชั้นต่างๆนี่ผู้ที่จะไปสวรรค์ได้นี้นอกจากไม่ทําบาปแล้วยังต้องทําบุญด้วยถ้าไม่ทําบาปเพียงอย่างเดียวไม่ได้ทําบุญก็ไปได้แค่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เท่านั้นจะไปท่องเที่ยวในโลกทิพย์ไม่ได้จะไปเ ส, สพสัมผัสกับรูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์ที่มีละเอียดที่สวยงาม ที่วิจิตพิสดารกว่ารูปเสียงกลิ่นรสที่เราเห็นกันในโลกนี้ไม่ได้ถ้าอยากจะไปเสภโลกทิพสวรรค์รูปทิพเสียงทิพนี้ต้องมีการทำบุญทำทานแล้วก็ไม่ทำบาปก็จะพาให้ผู้ที่ยังไปไม่ถึงพระนิพพานนี้ได้เวียนว่ายตายเกิดในสุขคติตายไปก็ไปเป็นเทวดาไปอยู่ ส, สวรรค์ชั้นต่างๆ แล้วพอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มาเกิดเป็นมนุษย์ที่มีวาสนาบารมีเพราะบารมีที่เกิดจากการทำทานนี้เองจะเป็นบารมีส่งให้มาเกิดมีรูปร่างหน้าตาสวยงามมีผิวพรรณผ่องใสมีอาการครบสามสิบสองไม่มีโรคภัยเบียดเบียนมีอายุยืนยาวนานมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองรอเราอยู่ วราบุญที่เราทำในภพนี้เป็นเหมือนเงินเอาไปฝากไว้ในธนาคารสำหรับภพบหน้านั่นเองพอกลับมาเกิดภพหน้าก็สามารถไปเบิกเงินที่ฝากไว้ในธนาคารบุญได้เลยโดยการมาเกิดเป็นลูกเศรษฐีลูกคนร่ำรวยลูกของคนมีฐานะเนี่พระพุทธเจ้าก่อนที่จะมาเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะก็ทำบุญในขณะตอนที่เป็นพระเวชสันดร พอตายไปก็ไปอยู่บนสวรรค์พอลงจากสวรรค์ก็มาเกิดเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะมาเป็นลูกของเจ้าพระเจ้าแผ่นดินมีประสาทสามฤดูให้อยู่มีบริสัท์บริวารคอยรับใช้คอยให้ความสุขตลอดเวลาต้องการอะไรเขาก็จะเอามาถวายประเคนทันทีนี่คืออนิสงส์จากการทำบุญชนิดต่าง เราเลือกทําได้ไม่จําเป็นว่าจะต้องทํากับวัดกับวาอย่างเดียวแต่ถ้าวัดวานี้ขาดแคลนเราก็ควรที่จะมุ่งไปที่วัดก่อนที่าศาสนาก่อนเพราะศาสาศนาเป็นที่พึ่งของเราเป็นที่เราจะต้องไปอาศัยศึกษาเร่องเรียนวิชาธรรมะแล้วก็ปฏิบัติถ้าไม่มีวัดวาเราจะไม่มีที่ศึกษาไม่มีที่ปฏิบัติทำกัน ถ้าวัดวาขาดแคลนเราก็ต้องสนับสนุนวัดวารามก่อนแต่ถ้าวัดว่ารามพร้อมแล้วเราก็แบ่งไปทําที่อื่นได้อย่างหลวงตามหาบวัวตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่ท่านไม่ค่อยได้ทําอะไรที่วัดมากเพราะวัดมีพร้อมทุกอย่างแล้วมีศาลาไว้ใช้ทํากิจกรรมต่างๆมีกุฏิให้พระสงฆ์พระเนรได้อยู่ปฏิบัติธรรมท่านก็ไม่ไปเน้นสร้างความรู้ลาให้กับวัดวา อาคารก็ต่างๆในวัดวาในวัดป่ามานตานี้ไม่รู้หรือมีเศรษฐีมาขอสร้างกุฏิหนองตาถึงสิบครั้งท่านก็ปฏิเสธไปทุกครั้งท่านบอกของเก่านี้ก็ใช้ได้ดีอยู่ไม่เห็นจําเป็นจะต้องสร้างของใหม่ใหม่หรือเก่ามันก็ทําหน้าที่เหมือนกันเป็นที่หลบแดดหลบฝนเหมือนกันไปเสียเงินเสียทองไปสร้างของที่ไม่จําเป็นทําไมเอาเงินทองไปทําประโยชน์อย่างอื่นดีกว่า ท่านําเงินทางไปสงฆ์โลกเป็นส่วนใหญ่เบื้องต้นท่านก็สงห์ชาวบ้านที่สนับสนุนวัดก่อนสร้างโรงเรียนสร้างที่เก็บน้ำให้ทำอะไรสาธารณประโยชน์ให้กับบ้านต่อมาก็มีแพทย์พยาบาลมาขอความช่วยเหลือขอซื้อช่วยซื้ออุปกรณ์การแพทย์ต่างๆซื้อลตพยาบาลช่วยสร้างตึกอาคารคนป่วยอะไรต่างๆ ท่านก็มุ่งไปสู่การสงฆ์โลกเพราะทางวัดนี้พอเพียงอยู่แล้วถ้าวัดมีมากเกินไปแทนที่จะเป็นประโยชน์กับเสียหายเสียอีกก็จะไปส่งเสริมความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมของพระเนนได้แทนที่จะสนับสนุนให้พระเนนมีความมากน้อยสันโดษก็จะทำให้พระเนนหลงไหลไปกับการมีข้าวของสิ่งของมากมายในวัด แล้วก็จะติดนิสัยไปต่อไปเวลาไปสร้างวัดก็จะไปสร้างวัดหรูหลาขึ้นมา น, นี่มีโทษเนี่ยถ้ามีอะไรมากเกินไปแล้วมันแทนที่จะเป็นคุณเป็นประโยชน์มันกลับเกิดโทษได้หลวงตาท่านระมัดระวังมากท่านจึงไม่ทำวัดป่าบ้านตาให้หรูหราท่านบอกถ้าท่านจะทำนี้วัดป่าบ้านตาจะเป็นวัดที่หรูหาที่สุดในประเทศก็ได้ พระเจ้าอยู่หัวราชการที่เก้าก็ขอถวายสร้างโบสถ์ให้ท่านก็ปฏิเสธไปท่านบอกว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องสร้างโบสถ์และท่านต้องการสร้างพระมากกว่าสร้างสร้างโบสถ์สร้างโบสถ์แล้วก็มาทำลายการสร้างพระเพราะเมื่อมีการก่อสร้างในวัดก็จะมีคนเข้าออกมีการส่งเสียงยกระทึกคึกโครม มาสร้างลูกสร้างหลานกันในวัดอีกเน่ยพวกคนงานก่อสร้างเขาก็ต้องมานอนในวัดกันท่านก็เลยปฏิเสธไปท่านพยายามรักษาความสงบของวัดไว้อย่างสุดๆถ้าไม่มีความจำเป็นแล้วเรื่องการก่อสร้างนี้ท่านจะไม่ให้สร้างเลยช่วงเข้าปรรษานี้ ถ้ามีการก่อสร้างนี้ท่านให้หยุดไว้ก่อนเพราะช่วงเข้าพรรษานี้ถือว่าเป็นช่วงที่เราจะต้องอทุ่มเทให้กับการศึกษากับการปฏิบัติเพราะการศึกษาการปฏิบัติจะได้สร้างมรรคผล น, ผนิพพานที่มีคุณค่าราคามากยิ่งกว่าการสร้างกุฏิสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างอะไรต่างๆ ซึ่งไม่สามารถที่จะพาให้ผู้ที่สร้างหรือผู้ที่อยู่ในกุติศาลาที่หรูหรานี้ไปถึงมาพานิพานได้ผู้ที่ไปพานิพานส่วนใหญ่ถ้าเราศึกษาจากประวัตินี้มักจะอยู่ตามกระถอบเล็กๆอยู่ตามถ้ำตามเงื้อผาตามโคนไม้กันมากกว่าเพราะว่าจะได้ไม่ต้องมาคอยดูแลรักษาถาวรลวัตถุต่างๆ จะได้มีเวลาทุ่มเทให้กับการสร้างพระในใจได้อย่างเต็มที่นี่คือเรื่องของการทำบุญเบื้องต้นก็ดูก่อนว่าวัดวารามขาดแคลนไหมถ้าขาดแคลนก็สนับสนุนแต่ก็ควรสนับสนุนตามเหตุตามผลอย่าไปเพราะอย่าไปดูตรงว่ามีมีโบสถ์หรือเปล่ามีเจดีหรือเปล่าอันนั้นไม่จาเป็นต่อการมีวัด สิ่งที่ว่าต้องการจริงๆก็คือสถานที่สงบนะที่ร่มเย็นที่ไม่มีอะไรมารบกวนที่อยู่อาศัยก็พอเป็นพอไปพอหลบแดดหลบฝนได้แต่มีที่สงบที่สามารถบําเพ็ญจิตตภาวนาได้เท่านั้นเป็นหลักสําคัญนะถ้ามีที่เหล่านี้แล้วก็ไม่ต้องกังวลก็นอกจากการใส่บาตรนะ สนับสนุนอาหารข้าวหวานให้กับพระทะนั้นนอกนั้นแล้วถ้าจะไม่ต้องมีอะไรมากถ้าอยากจะทําบุญที่อื่นก็ถ้าอยากจะ ท, ทํ า, าทบุญกับพระก็ทํากับพระที่บ้านก่อนเรามีพระสององค์อย่าลืมพระสององค์ที่บ้านเราพระของเราก็คือพ่อแม่นี่แหละที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นพระพรหมเป็นพระอาลานของลูกเนี่ยทาบุญกับพ่อกับแม่นี้ถือว่าได้ทําเท่ากับอ ทำกับพระ อ, อรหันต์เลยทำโทษกับพ่อกับแม่ก็ถือว่าได้ทำโทษเท่ากับพระอรหันต์เหมือนกันเเจนอนันตาริยกรรมนี่คือการฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระ อ, อรหันต์เนี่ยได้โทษเหมือนกันโทษหนักเท่ากันทำคุณกับพ่อกับแม่กับทำคุณกับพระอรหันต์ก็ได้บุญได้ผลเท่ากันเหมือนกันเพรนั้นก่อนที่เราจะไปทำบุญกับพระนอกบ้าน อย่ามองข้ามพระในบ้านเราไปก่อนต้องเลี้ยงดูท่านให้ดีให้อยู่อย่างสุขสบายอย่าทอดทิ้งให้ท่านอยู่อย่างทุกข์ยากลำบากเมื่อเลี้ยงพระพระาอารหันต์ในบ้านได้ดีแล้วถ้าเราอยากจะไปทำบุญกับพระาอารหันต์นอกบ้านเราค่อยไปต่อไปเพราะว่าพระอารหันต์นอกบ้านก็มีประโยชน์ที่พ่อแม่ไม่มีให้ก็คือไม่มีธรรมะให้ทำบุญกับพ่อแม่ได้บุญแต่ไม่ได้ธรรม ถ้าไปทำบุญกับผ้าหลันได้ทั้งบุญได้ทั้งธรรมได้ทั้งบุญคือได้ความสุขใจอิ่มใจได้ธรรมก็คือคำสั่งคำสอนที่จะเบิกตาเบิกใจให้สว่างที่จะมองทำทาให้มองเห็นทางไปสู่พระนิพพานอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้คือไปทำบุญตามที่ต่างๆ ถ้าได้ทำบุญกับผ้าหันทั้งที่บ้านที่วัดแล้วยังมีเหลืออยากจะไปทำที่อื่นต่อก็ไปทำได้เพราะโลกนี้ต้องการความเมตตาต้องการความสงเคราะห์จากผู้ที่มีเราอย่าอยู่แบบใจไม้ไส้ตะกรรม ขอให้เราถือว่าเป็นพี่เป็นน้องกันเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายกันเราอาจจะเป็นเขาก็ได้วันใดพบใดพบหนึ่งชาติใดชาติหนึ่งหรือวันใดวันหนึ่งเช่นช่วงนี้เศรษฐกิจตกต่ำนี่คนเริ่มตกงานกันเยอะแยะขึ้นมาแล้วก่อนหน้านั้นก็มีงานทามีเงินใช้เดี๋ยวนี้กิจการตกิจการต่างๆเริ่มปิดตัวลงคนก็ตกงานกันแล้ว ต่อไปก็จะทุกข์ยากลําบากกันไม่มีเงินใช้ไม่มีเงินกินกันดังนั้นถ้าเราคนที่มีก็คอยช่วยกันไปดูแลกันไปก็จะช่วยบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนให้กับสังคมและบรรเทาความวุ่นวายได้นะถ้าเราไม่ช่วยเขาเขาโอดอยากขึ้นมาเขาก็ต้องไปทําบาปนะเขาก็ต้องไปลักขโมยไปป้นไปจี้นะ เราสังคมก็จะไม่ปลอดภัยแต่ถ้าเรามีการช่วยเหลือการช่วยกันดูแลคนไหนเขาทุกข์ยากเดือดร้อนก็ช่วยเหลือกันเนี่ยยุคที่ผ่านมาชุกที่มีเศรษฐกิจตกต่ำก็มีการเปิดลงทานกันเพราะคนไม่มีงานทำไม่มีข้าวกินก็ช่วยกันเปิดลงทานสงเคราะห์คนที่เขาอดอยากขาดแคลนเพราะเราอาจจะเป็นเขาก็ได้ไม่มีใครรู้ว่า ชะตาของเราแต่ละคนนี้จะไปตกทุกข์ได้ยากกันขึ้นมาเมื่อไหร่แต่ถ้าทุกคนที่มียินดีที่จะช่วยเหลือคนที่ไม่มีความทุกข์ยากเดือดร้อนก็จะได้รับการบรรเทาลงไปความไม่ปลอดภัยของสังคมก็จะลดน้อยลงไปนี่คือวิธีการทำบุญต่างๆซึ่งเป็นข้อที่สองของการบำเพ็ญ ข้อที่สามก็ให้ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ข้อนี้ก็ต้องไปปฏิบัติธรรมกันต้องไปถือศีลแปดไปอยู่วัดไปเจริญสมถะวิปัสสนาภาวนาถึงจะสามารถชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ทำให้ใจหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ซึ่ง ก็เป็นธรรมที่ผู้ปฏิบัติจะต้องขยับขึ้นไปตามกำลังของแต่ละผู้ปฏิบัติเบื้องต้นก็ให้ละการกระทำบาปทั้งปวงก่อนสองให้สร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมเมื่อทำาสองข้อแรกได้แล้วก็ลองไปทำข้อที่สามดิว ไปชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการไปอยู่วัดไปถือศีลแปดไปหัดภาวนานั่งสมาธิเดินจงกรมฟังเทศน์ฟังธรรมให้เกิดปัญญาขึ้นมาเพื่อที่จะได้ชำระกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจถ้าทำได้ครบทั้งสามข้อแล้วใจก็จะไม่มีความทุกข์หลงเหลืออีกต่อไป จะมีแต่ความสุขเต็มเปลี่ยนอยู่ภายในหัวใจที่เรียกว่านิบบานังปรมังสุขขังบรมะสุขที่เป็นเรียกว่าเป็นรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงแล้วปัญหาต่างๆคือปัญหาที่เกิดจากการเวียนว่ายตายเกิดก็จะยุติลงสิ้นสุดลงเราก็ไม่ต้องมาแก้ปัญหาอย่างที่เรามาแก้กันอยู่ในขณะนี้อีกต่อไปนี่คือเรื่องของ ธุระที่พระพุทธเจ้าได้ส่งมอบให้กับชาวพุทธเราสองทุระคือคันธะทุระศึกษาพระธรรมคำสอนและวิปัสนาทุระนำเอาคำสอนที่ได้ศึกษาไปปฏิบัติเพื่อจะได้บำบับำบดทุกข์บำรุงสุขให้แก่จิตใจต่อไปก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาขังเอวเมวะอิโตทินังเปตางนังอุปกปติอ an ิชิตังปฏิต um ังตุมหังคิปเมวาสมิจุตสัพเพปุเรนตุส ah ังกปาจันโทปนาหราโสยะถามณนิโชติ ราสุยถาสัพิติโยวิวาจันตุสัพพะโรโขวินัสตุมาเตภวตวันตรายโอสุขีทีคายุโกภวะ อภพิวาทนาสีลิสานิจังวุธาปจายนจโนจตารโธรรมวาทานติอายุวโนโอสุขังภาลาังช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามคำถามใครมีคำถามอะไรขอเชิญถามได้ในช่วงนี้ ช่วงเดียวเพราะว่าหลังจากเลิกแล้วจะไม่สะดวกเพราะมีงานอย่างอื่นต้องทำต่อดังนั้นถ้าใครอยากจะถามขอเชิญถามในช่วงนี้เลยถ้าไม่อยากจะถามเองเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่เจ้ขาข่ทาง f a c e b o o ห6ร้อยสามสิบสี่ยูทูบสามร้อยสาสหวิทย์ออนไลน์สิบสอง แล้วฟังบนเขาหนึ่งร้อยเก้าสิบหกรวมทั้งเส้นหนึ่งพันหนึ่งรอยเจ็ดสิบแปดท่านเจ้าค่ะใครอยากจะถามอะไรเอายกมือขึ้นมาทั้งนี้สมัยไปนะขอโอกาสเจ้าค่ะมีสองคำถามค่ะคำถามแรกก็คืออย่างที่ท่านเคยสอนว่าอย่างน้อยก็ตอนเช้าก็ให้นึกถึงอริยสัจ ส, สีก็ เกิดแก่เจ็บตายโยมก็พยายามทำก็คือเช้ามาก็จะสวดมนต์คำว่าเช้าแล้วก็บทบทที่ชอบมากที่สุดก็คือมงคลละสูตรวันนี้ท่านก็เทศเรื่องวาสนาคือโยมมีคําถามในใจก็คือเราเกิดเรายุคเนี้ยที่โยมเกิดชาติภพเนี่ยกระแสมันแรงมากอะค่ะสิ่งเล้าอันนี้ก็คือแค่คิดในในใจนะคะว่ามันจะหลุดได้หรือจะคะแม่แหกขั้นโสดาบันข้อที่สองก็คือ ที่คิดว่ามันจะยากแล้วเนี่ยละบาปที่ทำกับพ่อแม่ที่มันเยอะมากเนี่ยมันจะยิ่งทำให้โปรเซสของการหลุดเนี่ยมันยิ่งยากเขาไปใหญ่ไหมคะหรือว่าไม่ต้องต้องคิดอะไรก็พยายามทำเองก็คือทานศีลภาวนาไปเรื่อยๆอนัานแหะไม่ต้องไปกังวลกับอดีตที่ผ่านมาอนาคตที่ยังมาไม่ถึงก็ไม่ต้องไปกังวล ให้อยู่ที่ปัจจุบันทำปัจจุบันให้ดีที่สุดให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ไปแล้วมันจะพัฒนาไปในตัวของมันเองตัวสาคัญก็คือสติกับปัญญาพยายามฝึกเจริญสติอยู่เรื่อยๆคอยควบคุมความคิดต่างๆอย่างที่คิดอยู่ในเรื่องเหล่านี้ไม่ควรจะคิดให้เสียเวลาหยุดมันดีกว่าพุโทโธพุโทโธไป ใจนิ่งแล้วใจจะมีความสุขจะมีพลังทวนกระแสของโลกได้ถ้าใจไม่นิ่งไม่สงบแล้วจะฝืนกระแสโลกไม่ไหว <Yeah. S 1> นั้นพยายามฝึกสติไปทุกเวลานาทีตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาจนถึงเวลาหลับช่วงไหนที่เราไม่ต้องใช้ความคิดกับงานการที่จําเป็นอย่าปล่อยให้คิดเรื่องราวต่างๆดึงใจให้อยู่กับพุโทโธอยู่กับการสวดมนต์อิติปิโส สวดไปหลายหลายจบแล้วใจจะเย็นจะเบาแล้วจะรู้สึกว่าเหตุการณ์ทางโลกกับเรานี่มันคนละเรื่องกันเราพอดึงตัวเราออกจากเหตุการณ์ทางโลกได้แล้วมันก็ไม่สามารถที่จะมามามีอิทธิพลต่อจิตใจของเราได้เห <Yeah. S 1> ็นต้องพยายามมากๆใช้สติให้มากๆฝึกสติให้มากๆเพื่อดึงใจให้ออกจากกระแสของทางโลก หมดแล้วเลยให้ไม่สองข้อ ร, รวมกันแล้วเลยข้อที่สองก็ถามว่าถ้าบาทที่ทํากับพ่อแม่ค่ะซึ่งยมคิดว่ามันเยอะมากมันจะทําให้เราไม่รู้เราเราก็คิดไปเองอาจจะทําบุญมามากด้วยก็ได้ทําไมไม่คิดว่าเ า, าจจะทําบุญมากด้วยพ่อแม่ร้องไห้ประจําำเจ้าค่ ะ, ะถ้ารู้ก็อย่าไปทําในต่อไปนี้ะะน ะ, ะพยายามตามถ้าเขาร้องไห้เพราะ ความอยากของเขาไม่ใช่เป็นความผิดของเราเขาร้องไห้เพราะเราไม่มีแฟนนี่ไม่เป็นไรเขาร้องไห้เพราะเราไม่มีไม่แต่งงานนี่ไม่เป็นไรอันนั้นเป็นความอยากของเขาเราไม่ได้ไปทุบตีเขาไปด่าว่าเขาให้เขาเสียใจไม่เป็นไรน ะ, ะนนาานครับกาปเรียนถานพระอาจารย์ครับอ่ช่วงนี้ผมเดินจงกรมแล้ว เอาสติอยู่กับพยายามอยู่กับกายแบบอยู่กับเท้าไงครับเวลายอยู่กับกายแล้วมันรู้สึกอึดอัดครับก็เลยเปลี่ยนเป็นบริกรรมแทนแบบบางครั้งก็พุทโธธโมสังโครหรือ น, นับนับเลขหนึ่งสสามสี่ครับจะถามว่าถ้าบริกรรมแล้วก็เดินไปโดยที่ใจอยู่กับบริกรรมจะได้ไหมครับได้ได้อย่าให้คิดเท่นั้นเองเป้าหมายของการบริกรรมหรือการเฝ้าดู การเคลื่อนไหวของร่างกายเพื่อไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆถ้าไม่คิดก็ใช้ได้ถ้าคิดก็ยังใช้ไม่ได้คิดก็ต้องพยายามบริกรรมไปเรื่อยๆใหม่ๆมันยังอาจจะคิดบ้างเราก็คอยดึงมันกลับมาที่คำบริกรรมแล้วต่อไปมันจะมีแต่คำบริกรรมล้วนๆแล้วใจจะเบาจะเย็นเดินจงกรมเหมือนกับจะลอยเดินบนฟ้าเพราะตัวมันเบา มันเดินได้นา น, นเดินได้สบายพยายามฝึกคำบริกรรมไปเรื่อยๆ อ, อย่าปล่อยคำบริกรรมออขอบพระคุณครับครับนินถามพระอาจารย์ครับไปอ่านงานวิจัยในก o ูเกอครับก็มีบอกว่าระดับความถี่สัมพันธ์กับระดับการบรรลุธรรมพบว่ามีคอสมิก เว็บอะครับอยู่ในพระอรหันต์อันนั้นมันก็เป็นเรื่องผลอลได้ผลที่เกิดจากจิตใจจิตใจของเรานี้ก็เป็นเหมือนสถานีส่งสัญญาณเวลาเราคิดอะไรกระแสของความคิดของเรามันก็จะลอยไปแต่มันไม่ได้ลอยในโลกนี้มันลอยในโลกทิพย์เนี่ยคนถึงอ่าน จ, จิตใจของกันและกันได้คนที่มีพลังจิตนี่สามารถรับความคิดของผู้อื่นได้กาลังคิดอะไรอยู่เนี่ย ดัะถ้าก็ามีเครื่องไม้เครื่องมือที่สามารถที่จะจับได้ก็อาจจะเป็นเพราะเป็นผลที่มันมากระทบต่อความที่ของสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้ก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่สำคัญอะไรรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้วิธีที่จะพิสูจน์ที่เป็นประโยชน์จริงๆก็คือการภาวนาเนี่ยตัวเราคนพิสูจน์จะได้ประโยชน์ ถ้าใช้เครื่องไม้เครื่องมือวัดมันก็เพียงแต่รู้แต่ตัวเองก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากการรู้เรื่องราวเหล่านั้นซึ่งมาพิสูจน์แบบตามที่พระพุทธเจ้าสอนดีวกว่าพิสูจน์ด้วยการภาวนาสามมถภาวนาและวิปัสนาภาวนาคุณครับคำถามจากผู้ฝากถามทั้งบ้านเจ้าค่ะจากคุณน้องปรมิน กลาวนมรดการพระอาจารย์ด้วยเสนเก้าครับแต่มีใหม่ใกล้ๆตัวนี้ไอ้เครื่องตัวนี้เบาหน่อยได้ไหมที่อยู่ไวใกล้ศาลานี่มันพูดไปทำไมคนที่เกิดมาชาตินี้บางคนร่ํารวยเพราะเขาทําบุญมากในชาติที่แล้วแล้วร่ํารวยและทําไมรวยแล้วมาเกิดชาตินี้บางคนไม่ทําบุญแต่กลับสร้างบาปเพราะเหตุใดครับเฮ้ยขึ้นอยู่กับ สิ่งแวดล้อมที่ตนเองอยู่ชาติก่อนอาจจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีการชักชุงให้ทำบุญก็เลยทำไปกับเขาพอชาตินี้มาอยู่ในวงวงการที่เขาไม่ชอบทำบุญกันก็เลยไม่ได้ทำบุญคือยังไม่ได้ทำแบบทำมาจากศรัทธาความเชื่อในบุญว่ามีคุณมีประโยชน์กับจิตใจ ถ้าคนที่เชื่อแล้วเห็นผลจากการทําบุญนี้จะทำไปเรื่อยๆไม่ว่าจะอยู่ในวงการใดอยู่ในวงการที่เขาไม่ทําตัวเองก็จะทําเพราะรู้ผลประโยชน์ที่ได้จากการทําบุญที่ใจของตนว่ามีความสุขความอิ่มใจคนส่วนใหญ่ทําบุญนี้ไม่ได้ไปหวังผลชาติหน้าพบหน้าหรอกเพราะไม่รู้ว่ามันจริงหรือไม่จริงเพราะเราไม่สามารถที่จะไปเชื่อมกับมันได้ แต่ผลที่เราเห็นชัดทันตาก็คือปัจจุบันคือในใจเราทำแล้วมีความสุขใจสบายใจเนี่ยคนที่ทำแบบนี้รามักจะทำไปเรื่อยๆไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนกับใครคนอื่นเขาไม่ทำก็จะทำเน่ยไม่ต้องให้กครมาคอยมาชวนมาเชิญ แต่คนบางคนนี้บางทีต้องทำต้องมีเหตุการณ์มีใครมาชักจูงเนี่ยเช่นหลวงตาชวนให้ไปทำผ้าป่าช่วยชาินี้ยวิธทำกันใหญ่ทองคำเมื่อกี่กี่ตันพอหลวงตาไม่อยู่หายเงียบไหม <laughs> คำถามต่อไปจากคุณเพชรน้ำหนึ่งเจ้าค่ะข อ, อการดครับ คำถามที่หนึ่งครับการกําหนดรู้ทุกที่เกิดจากการทำความเพียรมากๆรู้อย่างไรและข้ามอย่างไรครับคือทุกที่เกิดจากความเพียร น, นี้เป็นทุกเพื่อความสุขไม่ต้องกังวลทุกแบบนี้ดีแต่ทุกที่เกิดจากกิเลสนี่ไม่ดีทุกที่เกิดจากความโลภความโกรธความอยากต่างๆถ้าเกิดเราต้องระ ง, งับมันด้วยปัญญาด้วยการ สอนใจให้เห็นว่าสิ่งที่เราโลภเราอยากมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราเพื่อที่เราจะได้ไม่อยากได้สิ่งเหล่านั้นพอเราลดความโลภความอยากได้ความทุกข์ในใจก็หายไปคำถามที่สองค่ะการกำหนดรู้ ผู้รู้เกิดและผู้รู้ดับควรที่จะปล่อยวางหรือพิจารณารมต่อไปครับคือผู้รู้ไม่เกิดไม่ดับผู้รู้รู้อยู่ตลอดเวลา24ชั่วโมงผู้ที่เกิดและดับคือสติบางทีสติก็รับรู้บางทีก็ไม่รับรู้เวลามีสติก็รับรู้พอไม่มีสติใจก็ลอยไปที่อื่น เช่นฟังทรรมนี้ถ้ามีสติก็ฟังไปเดี๋ยวพอเผลิสติก็ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้นี่คือตัวที่เกิดดับเกิดดับคือสติแต่ตัวรู้จริงๆนี้ไม่เกิดไม่ดับรู้อยู่ตลอดเวลา คำถามต่อไปทางอินบล็อกจากผู้ฝากถามคุณเข้าปุธเจ้าคะ่ะเรื่องการสวดมนตนะ์ภาวนาสวดตอนไหนก็ได้ใช่ไหมครับภาวนาตอนไหนก็ได้ใช่ไหมครับสมมติว่าตอนหกโมงแล้วหลังเที่ยงคืนสวดได้ไหมครับได้ได้ตลอดเวลาถ้าเราสามารถทำได้ทำไปสวดมนต์ถ้าดีก็สวดไปในใจน่าจะดี จะได้ไม่ไปรบกวนชาวบ้านเขาเดี๋ยวไปตีตีหนึ่งตีสองไปนั่งสวดมนต์ส่งเสียงดังปลุกคนเลยเขาตื่นนี่มันก็จะไม่ดีต้องดูผลกระทบที่จะตามมาด้วยคำถามต่อไปจากผู้ฝากถามบนเขาเจ้าค่ะทำอย่างไรใจที่คิดวุ้งซ้านไหลไปให้หยุดคิดเรารู้ตัวว่าเรากำลังคิดกำลังฟงุ้งภาวนาพุโทโธอย่างไรก็ยังไม่ยอมหยุด ก็ต้องพยายามทําให้มากขึ้นเหมือนเหยียบเบรกเหยียบเบรกรถยังไม่หยุดเราก็ต้องเหยียบมันต่อไปไม่ใช่ปล่อยบางทีพุโทโธสองสามคำแล้วก็ปล่อยคิดว่าความคิดจะหยุดมันไม่หยุดนะเมื่อมันยังไม่หยุดก็ต้องพุโทโธสู้กับมันไปมันคิดก็ปล่อยมันคิดไปเราก็พุโทโธของเราไปอย่าไปตามความคิดแล้วความคิดก็จะน้อยลงไปส่วนหนึ่ง ส่วนหนึ่งของความคิดเกิดจากการที่เราไปคุยกับมันนะมันมาชวนเราคุยแล้วก็เราคุยกลับไปทําอย่างนั้นดีไหมไม่ดีเอาอย่างนี้นะอะไรคุยกันไปถ้าเราไม่ไปชวนมันมักชวนเราคุยเราไม่ไปคุยกับมันเราพูดโทะพูดโทะไปเดี๋ยวมันก็หยุดมาชวนเราเองอยาี้ยคำถามต่อไปจากคุณอรุณีเจ้าค่ะนามสการค่ะพระอาจารย์โยมอยากทราบว่าพระสามารถฉันอินทผลามหลังเที่ยงได้ไหมเจ้าค่ะ ไม่แน่ใจเนยเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ฉันพวกนี้เลยไม่รู้คือถ้ามันเป็นยาก็ฉันได้ถ้าเป็นอาหารก็ฉันไม่ได้ทีนี้ไม่ทราบว่าเขาจะกําหนดให้อยู่ในเป็นพวกยาหรือเป็นพวกอาหารคําถามจากคุณเปีอันนั้นค่ะเรียนถามพระอาจารย์ดวงจิตที่ออกจากร่างกายไปแล้วทําไมจึงไม่สามารถสมาธิได้อีกทั้งทั้งที่การฝึกสมาธิเน้นที่ดวงจิตเป็นสําคัญ ก็เพราะว่าช่วงนั้นมันไม่มีอะไรมากระตุ้นให้ทํามันเป็นช่วงที่ไปรับผลของการกระทำํำพอไม่มีร่างกายแล้วมันการที่จะมีสติที่จะมาควบคุมจิตมันไม่มีเหมือนคนนอนหลับช่วงที่ตายนี่เหมือนคนนอนหลับจิตจะไม่มีสติมาคอยควบคุมเหมือนตอนที่ตื่นจิตก็เลยต้องไปตามกระแสของวิบากของผลที่ทําไว้ คำถามจากพระมหาสมชาติวัดหนองยาว ส, สัมมนาสิ์มีความจาเป็นหรือไม่อย่างไรครับผมจำเป็นกับอะไรล่ะถ้าจำเป็นกับมรรผลผนิพพานก็ไม่จำเป็นหลวงปู่หลวงตาท่านไม่มีสัมมนาสักแต่ถ้าอยู่ในสังคมของพระที่เขายัางถือสัมมนาสักอยู่ก็จำเป็นถ้าอยากจะมีหน้ามีตาเหมือนเขาเขาก็วิ่งเต้นหาสัมมนาสิก์กัน แต่ถ้าเราต้องการมากผลนิพพานต้องการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายสมณศักิ์ก็ไม่มีความจําเป็นใดอย่างใดคำถามจากคุณยาพระชยาขอพระอาจารย์เมตตาแนะนำข้อสังเกตในเบื้องต้นว่าพระองค์ไหนเป็นพระอรหันต์ครับจะได้มีโอกาสไปร่วมทําบุญกับท่านเหล่านั้นครับ เ, ออเราสังเกตเองไม่ได้เร า, เร า, เราต้องอาศัยการออการบอกเล่า จากผู้ที่เขามีตาดีกว่าเราถ้าเรามองเองนี้ตาเรายังไม่ถึงระดับที่จะไปแยกแยะว่าเป็นพระปุถุชนหรือพระอริยบุคคลได้้องอาศัยผู้ที่เขามีตาดีมาบอกมาเล่าให้เราฟังอีกทีหนึ่งแล้วก็มีคนรับรู้แล้วก็บอกกันมาเป็นทอดๆ อ, อย่างงี้แล้วเราก็ไปทำบุญไปพิสูจน์ด้วยว่าท่านเป็นจริงอย่างที่เขาพูดโจทย์ขานกันหรือเปล่า ถ้าไม่เป็นจริงเราก็จะได้รู้ว่ า, าไม่จริงก็ได้คําถามจากคุณวันทนีเจ้าค่ะการาบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะการปฏิบัติกรรมฐานด้วยอาปาอาณาปานาสติต่างจากการปฏิบัติกรรมฐานกองอื่นอย่างไรเจ้าค่ะไม่ต่างกันหรอกเป็นอารมณ์ที่เราใช้ควบคุมจิตใจได้ เพียงแต่ว่าการใช้อารมณ์เหล่านี้กรรมฐานเหล่านี้อาจจะมีเหมาะเป็นบางช่วงบางช่วงก็ไม่เหมาะเช่นอน า, นาปนานสตินี้จะเหมาะช่วงที่เรานั่งเฉยๆเพราะการดูลมนี้มันต้องมีสติที่ค่อนข้างที่จะมีกำลังมากแล้วก็เพราะลมนี้มันเป็นของละเอียดดูได้ยากถ้าเราเคลื่อนไหวทำงานทำการดูร่างกายดีกว่าง่ายกว่า ดูว่ากําลังเดินกําลังยืนกําลังยกเท้ายกแขนกําลังลังหน้าแปงฟันเนี่ยก็เป็นการเจริญสติเหมือนกับการดูลมแต่ถ้าพอเรานั่งแล้วร่างกายไม่มีการเคลื่อนไหวเราก็ดูลมแทนลมมีการเคลื่อนไหวเราก็ดูลม ทำไมเราต้องดูเพราะถ้าเราไม่ดูใจเราจะไปคิดเรื่องอื่นทันทีพอเราดูมันก็ไปคิดไม่ได้พอมันคิดไม่ได้มันก็จะสงบสงบแล้วมันก็จะนิ่งแล้วก็จะสบายคำถามจากคุณทางสายเอกค่ะขอกลับเรียนถามครับเรื่องบุญบาปดีชั่วก็รู้หมดแล้วแต่พอถึงเวลาก็ยังทําบางทีก็เผลอบางทีก็แพ้ความอยากครับต้องแก้อย่างไรครับ ก็เนี่ยจะต้องศึกษาผลดีผลเสียที่เกิดจากการทำบุญทำบาป mm hmm. เหมือนกับเวลาเราไปทาธุรกิจเราก็รู้ว่าทาแบบนี้จะได้กาไรหรือขาดทุนทำแบบนี้จะได้กำไรหรือขาดทุ น, ทบบ น, รรทนเราก็จะได้เลือกทำแบบที่ได้กำไรแบบที่ขาดทุนเราก็ไม่ทำ mm hmm. เราต้องมองดูว่าทำบาปแล้วเราจะเสียอะไรเราจะต้องรับโทษอย่างไร ทำบุแล้วเราจะได้ประโยชน์อย่างไรมันก็ถึงที่ทาให้เรากล้าทําคําถามจากคุณปรีดีเจ้าค่ะกบเรียนถามพระอาจารย์ครับปกติของพระสายวัดป่าห้ามใส่รองเท้าแตะเดินจงกรมในช่องทางเดินหรือเปล่าครับอ๋อไม่ได้ห้ามเหรอแล้วแต่ความพอใจบางท่านชอบเดินเท้าเปล่าบางท่านก็ใส่รองเท้าเดินได้ คำถามจากผู้ไม่ประสองค์ออกนามเจ้าค่ะถ้าเราเคยทำบาปมาก่อน ได้ฟังคำเทศสอนของพระอาจารย์แล้วรู้สึกเกรงกลัวต่อบาปอย่างมากจนจิตตกกลัวจะไปเกิดในอบายต่างๆถ้าเราตั้งใจทำดีรักษาศีลปฏิบัติธรรมทำกรรมฐานนับแต่นี้ตลอดทั้งชีวิตจะแก้ไขหรือช่วยบรรเทาได้ไหมครับเรามีโอกาสได้ไปสวรรค์หรือสำเร็จมรรคผลนิพพานไหมครับหรือต้องไปใช้กรรมเหล่านั้นก่อนออถ้าเราไปถึงนิพพานเราก็ไม่ต้องไปใช้กรรมอีกต่อไป เช่นองคุริมานถึงแม้จะฆ่าคนมาต้องเก้า้อยเก้าคนพอบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็ไม่ต้องกลับมาเกิดมาใช้กรรมอีกต่อไปแต่ช่วงที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ต้องรับผลไปบ้างเช่นชาวบ้านบางบ้านเขาเจอเขาเ้าจำได้เขาก็เว่งก้อนหินใส่แต่พอตายไปแล้วไม่กลับมาเกิดแล้วไม่มีร่างกายแล้วก็ไม่มีใครจะไปทำทร้ายร่างกาย ไได้อต่อปคำถามจากคุณนรงชัยค่ะขอกลับเรียนถามว่าที่เขียนว่าสมาธิระดับฌานสี่มีสติอันบริสุทธิ์และอุเบกขาแล้วแลอยู่ขอพระอาจารย์อธิบายเพิ่มเติมครับ อ, อ่มันเรื่องสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นพูดไปเท่าไหร่ก็ไม่เหมือนกับไปทำเองไปเห็นเองเั้นสู้ไปนั่งพุโทโธพุโทโธจะดีกว่า เดี๋ยวนั่งดูลมหายใจไปเพียงอย่างเดียวเดี๋ยวก็เห็นเองแล้วจะไม่ต้องไปถามใครต่อไปถามแล้วเดี๋ยวก็ลืมเดี๋ยวก็กลับมาถามใหมา่คำถามจากคุณเพชรน้ำหนึ่งเจ้าค่ะขอาการครับถ้าจิตมันออกไปแต่ทางด้านปัญญาและถามตอบและพูดกันเองด้านธรรมะต่างๆไม่ยอมอยู่กับพุโทโธแต่มันจะชอบคิดไปตลอดเวลาไม่มีการหลับ และการนอนเป็นแบบนี้อยู่พักหนึ่งบางครั้งไม่ได้อยู่กับผูโ้โทรแต่จิตก็สงบไปเองถือว่าการปฏิบัติแบบนี้ผิดหรือเปล่าก็ดูผลที่เราได้รับว่ามันทำให้จิตเข้าสู่อัปปนาสมาธิได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็แสดงว่ายัางไม่ได้ผลดีพออาจจะได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ดีพอถ้าอยากจะให้มันรวมนี้ต้องเพ่งต้องดูลม เลยพุทธโธพุทธโธเพียงอย่างเดียวคำถามจากคุณพิภพค่ะเข้าใจว่าเงินทองที่มีอยู่ในชาตินี้สามารถที่จะเอาไปใช้ในชาติหน้าได้ก็คือต้องเอาไปทำบุญทำทานใช่ไหมครับเออเหมือนกับเราเดินทางไปต่างประเทศเราก็ต้องเอาเงินบาทไปแลกเป็นเงินต่างประเทศเราถึงจะเอาเงินต่างประเทศไปใช้ในต่างประเทศได้คาถามจากคุณปนาลีค่ะ จากคลั่งที่เขาฆ่าคนตายยีบเกคนแล้วรวมตัวเองเขาจะตกนรกไหมคะใช่เขาฆ่าตัวเองเขาก็ต้องไปตกนรกด้วยถึงแม้ไม่ทำไม่ฆ่าไม่ฆ่าตัวเองก็ต้องเวลาตายไปก็ต้องไปตกนรกฆ่าคนขนาดนี้ไม่มีไปสวรรค์รับรองได้เพียงแต่ว่าจะไปอยู่นานหรือไม่นานฆ่าเท่าไหร่มันก็ยิ่งยิ่งฆ่ายิ่งมากมันก็ยิ่งอยู่นานเท่านั้นโทษมันเหมือนโทษที่เขาจําคุกในเรือนจํารือ คำถามจากผู้ไม่ประสงค์น้ำเจ้าค่ะประมาณสองอาทิตย์หลังนี้พบว่าเวลาเข้าสมาธิเมื่อจิตกำลังดิ่งลงไปแตะที่ปิติแต่เมื่อรับรู้อาการปิติจิตก็เคลื่อนกลับมาที่ลมหายใจอีกไม่ลงไปมากกว่านี้ต้องมาเริ่มที่ลมหายใจใหม่มาตามดูอารมณ์ทางใจและอาการทางกายใหม่พอไปแตะที่ปิติก็เด้งกลับมาที่ลมหายใจอีก ก็ต้องพยายามเกาะอยู่ที่ลมหายใจอย่าไปคิดเรื่องอื่นให้รู้อยู่กับลมหายใจเพียง อ, อย่างเดียว แสดงว่าสติเรามีกำลังไม่พอที่จะเข้าสู่จุดสง บ, บอย่างเต็มที่ก็จะต้องฝึกสติใหม่เวลาออกจากสมาธิออกจากการนั่งก็มาเดินฝึกสติต่อมาพุโทโธพุโทโธมาดูเท้าซ้ายเท้าขวาไปทำงานงานอะไรก็ให้มีสติอยู่งานที่ทำแล้วก็กลับมานั่งใหม่ต้องทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆคะคำถามจากคุณทิติพงค์ค่ะ เระผมฟังธรรมะของหลวงพ่อกับหลวงพ่ออินทวายในทุกๆวันแบบนี้เรียกว่ามีศรัทธาหรือเสพธรรมะจนเกินไปครับธรรมะไม่มีคําว่าเกินไปหรอกเสพธรรมเท่าไหร่ก็ไม่ไม่พอไม่มากพองั้นเสพได้ไม่ต้องกังวลถ้าฟังเทศฟังธรรมเพียงแต่ว่าเมื่อฟังแล้วต้องนําออกไปปฏิบัติ ด, ด้วยถ้าฟังอย่างเดียวไม่ปฏิบัติก็จะเรียกว่าเสพ เสพทาได้คือไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควรเมื่อรู้ทางแล้วก็ต้องออกเดินทางถ้าไม่ออกเดินทางก็ไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางาคำสุดท้ายนะคำถามสุดท้ายเจ้าค่ะคำถามจากคุณบุญชัยเจ้าค่ะคนที่เอาก้อนหินปลาใส่องคุริมาจะบาปไหมครับบาปก็ทำร้ายใครก็บาปทั้งนั้นอนะ่ะ งั้นอย่าไปทำร้ายใครถึงแม้เขาจะเป็นมหาโจรเขาจะเป็นคนร้ายอย่างไรก็ไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะไปลงโทษเขากฎแห่งกรรมเขาจัดการลงโทษให้กับเราเองให้กับเขาเองงั้นเราอย่าไปทําร้ายคนอื่นทําร้ายคนอื่นเราก็ทาบาปเดี๋ยวเราก็ต้องถูกเขามาทําร้ายเราเองเอาละเนี่ยวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา